ท่าผู้มีเจตเบตตาธรรณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่เจ็ดกันยายนพุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านทงลายได้ตั้งใจในวัดเพื่อมา ส, าสาร้างสระน้มาสร้างที่พึ่งนทางใจ ด้วยการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารนาเป็นที่พึ่งคือพุธทธธรสารนังกัจฉามิธรรมังสรารนังกัจฉามิสังฆังสรารนังกัจฉามิคือการถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง ถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะได้ที่พึ่งที่แท้จริงเป็นที่พึ่งที่สามารถดับความทุกข์ทางจิตใจได้ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถเป็นที่พึ่งของจิตใจได้สามารถดับความทุกข์ทางจิตใจได้สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ ทำได้ก็เพียงแต่บรรทาหรือดับความทุกข์ทางร่างกายไว้ชั่วคราวเท่าทนั้นแต่ไม่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้ความทุกข์ทางร่างกายเกิดไม่ให้ความทุกข์ทางร่างกายเกิดขึ้นหรือให้หายไปได้เพราะร่างกายนี้ เป็นของไม่เที่ยงเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยการทุกคนสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ที่เราหากันนี่ก็เพียงแต่ช่วยบรรเทาช่วยต้านทานความทุกข์ทางร่างกายเท่านั้นแต่ในที่สุดก็ต้องทุกข์ทางร่างกายอยู่ดี เพราะร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ทางจิตใจได้ต่อให้เรามีเงินทองมากน้อยเพียงไรมีตำแหน่งสูงเพียงไรมีบริษัทมีบริวารมีบุคคลต่างๆไว้รับใช้ไว้คอยดูแล ต่างๆเหล่านี้ก็ดูแลได้เพียงทางร่างกายเท่านั้นแต่จะไม่สามารถดูแลรักษาป้องกันจิตใจไม่ให้ทุกข์ได้เลยมีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นที่จะทำให้จิตใจนี้อยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้อยู่เหนือความทุกข์ของความแก่ความเจ็บ ของความตายได้อยู่เหนือนความทุกข์ของการสูญเสียของการพลาดพ่าจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆได้ถ้าเรายังไม่มีพระพทุทธพระธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งเราก็ยังจะต้องถูกความทุกข์รุมเร้าจิตใจของเราอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราสามารถ สร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เป็นที่พึ่งของเราได้แล้วเราจะอยู่ปราศจากความทุกข์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต่ามจะไม่นามารที่จะทำให้ใจของเราทุกข์ได้เลยไม่ว่าเราจะแก่จะเจ็บจะตายเราจะพลาพาพจากบุคคลต่างๆเช่น พ, พราดพาดจากสามีจากภรรยา จากบุตรจากทิดาจากวิดามารดาภูยาตายายจากยาาเสนมิสหายจากทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆจะไม่ทำให้จิตใจของเราทุกข์เลยนี่แหละคือความสำคัญของพระรัตนใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสรารนาเป็นที่พึ่ง ทางใจอย่างแท้จริงการที่เราจะเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้นั้นก็ต้องศึกษาคำสอนศึกษาชีวประวัติของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายว่าท่านสั่งสอนอะไรและท่านปฏิบัติตนอย่างไรจึงทำให้ท่านได้ มีความสุขมีความหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้วิธีที่จะทำให้ตัวเราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้พราะพุพพทธวิธีธรรมปัจจสมนี้ไม่สามารถที่จะทำให้เรา หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เพียงแต่สอนให้เรารู้จักวิธีที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆสาารณะจะมีสองรูปด้วยกันสองแบบด้วยกันคือสารณะภายนอกและสารณะภายในสานารณะภายนอกก็คือพระพุทธเจ้า ที่เราก่าวไหวบูชาที่ได้เสด็จตัดสรุปและเสด็จดับขันธ์ปัจบนิี้ผ่านไปแล้วพระสงฆ์สาวกที่เรากล่าวไหวบูชาเช่นพระสุปฏิปนันโนทรรมายท่านก็เป็นผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ไปแล้วแล้วท่านก็เอาวิธีการหลุดพ้นของความทุกข์นี้ มาเผยแผ่สั่งสอนเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงค์ส่วนนอกนี้ยังไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งหรือดับความทุกข์ภายในใจของเราได้พวกเราก็กราบไหว้พระพุทธเจ้าศึกษาพระธรรมคำสอน เราก็ศึกษาประวัติการไหว้พระอาหารหันตสาวกทั้งหลายมีรูปของท่านมีพระพุทธรูปมีพระพุทธรูปมีรูปเหมือนของครูบาอาจารย์ต่างๆไว้กราบไหว้บูชาแต่พระพุทธพธรรมพระสงฆ์ภายนอกนี้ยังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ เพราะท่านเป็นเพียงผู้ให้สติแก่เรานั่นเองการที่เรากราบพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์การที่เราศึกษาพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เพื่อที่เราจะได้รู้ถึงวิธีการปฏิบัติที่จะทำให้เราสามารถดับความทุกข์ต่างๆภายในใจของเราได้นั่นเอง ดังนั้นการที่เรามีพระพุทธรูปอยู่ที่บ้านมีหนังสือธรรมะมีรูปเหมือนของพระอนิยสงสารวกไว้กาบไหว้บูชานี้ยังไม่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงเป็นเพียงแต่เครื่องเตือนสติให้เราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า คำสอนของพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายแล้วนำเอาคําสอนนี้ไปปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงปรากฏขึ้นมาภายในใจของเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงคืออะไรก็คือพุทธธรรมสังฆะ จะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือทรงสอนให้ทำบุญละบาปและชาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กาจัดความโลภกําจัดความอยากความโกรธความหลงต่างๆให้หมดไปจากใจเท่านั้นถ้าเราปฏิบัติได้ เราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมก็คือเห็นธรรมะเห็นความจริงว่าความทุกข์ของเรานั้นเกิดจากความอยากของเราการจะดับความทุกข์ภายในใจของเราเราก็ต้องละความอยากการจะละความอยากก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเป็นเหมือนอยาที่ ตอนนี้เรามีความหลงอยู่เราจับเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้จะให้ความสุขกับเราเช่นเราหลาบได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกรินกายแต่เราไม่รู้ว่าความสุขที่เราได้นี้เป็นความสุขปลองเป็นความสุขที่หุ้มห่อความทุกข์าไว้นั่นเองพอเราได้สิ่งที่เราได้มาแล้ว เดี๋ยวเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเราจะเกิดความหวงเกิดความห่วงเกิดความยึดติดเวลาที่เราสูญเสียไปเราก็จะเกิดความเศรา้าโศกเสียใจเวลาที่ยังอยู่กับเราเราก็จะมีความวิตกกังวลห่วงใยแล้วก็อยากจะให้อยู่กับเราไปนา น, าน อยากให้ดีไปนานๆและอยากจะให้มีมากเพิ่มขึ้นไปพอ เ, เกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาก็จะทําให้เกิดความไม่สบายออไม่สบายใจขึ้นมาถ้าเรามีธรรมะมีมีการเจริญสติเจริญปัญญาพิจารณาความจริงอันนี้ว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยาก น่าสิ่งที่เราอยากได้ก็ไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้กลับจะให้ความทุกข์กับเราเพิ่มมากขึ้นไปอีกถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงและทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่สามารถที่จะครอบครองเอาไว้เป็นสมบัติของเราได้ ตลอดไปเราไม่สามารถสั่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นได้เสมอไป น, นี่คือการมีดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมะพอเรามีดวงตาเห็นธรรมแล้วเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเราก็จะมีธรรมกอยู่ในใจ และเราจะมีพุทธะคือพระพุทธเจ้าอยู่ในใจก็คือพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะที่เราเห็นนี่เองเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นคําสอนของผู้อื่นถ้าเราเห็นความจริงเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าผู้ที่จะเห็นความจริงก็คือพระอริยสงสาวกนี้คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพาาระอรหันต์ท่านเห็นธรรมเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกอย่างไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เขาจะอยู่กับเราหรือเขาจะจากเราไปเมื่อไหรเราไปห้ามเขาไม่ได้ พอเราเห็นความจริงอันนี้เราก็ปล่อยวางเราก็ไม่ไม่ไปยุ่งกับเขาเหมือนกับเราเห็นงูพิษอย่างนี้เราก็ต้องถอยเราไม่เดินเข้าหางูพิษเราไม่เล่นกับงูพิษเราปล่อยให้งูพิษเขาอยู่ตามเรื่องของเขาพอเขากับเราอยู่ห่างกันไม่เกี่ยวข้องกันเราก็จะไม่ถูกงูพิษกัดฉันใดถ้าเราไม่ เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เช่นราบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่แสวงหาไม่มิไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่ถูกสิ่งเหล่านี้ที่เป็นเหมือนยางูพิษกับเรานั่นเองคนที่ไม่มีราบก็จะไม่ต้องทุกกับราบคนที่ไม่มียศก็ไม่ต้องทุกกับยศคนที่ไม่มีสรรเสริญก็ไม่ต้องทุกกับการ นินทาคนที่ไม่มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะไม่ทุกข์กับความเสื่อมของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะของทุกอย่างในโลกนี้มีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปเช่นเรามีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกับสามีกับภรรยาของเราเวลาที่สามีหรือภรรยาของเราจากเราไป เวลานั้นเราก็จะเสื่อมจากความสุขทางตาหูจมูกติ้นกายแล้วสิ่งที่จะมาทดแทนก็คือความทุกข์นั่นเองนี่คือความจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ที่พวกเรามองไม่เห็นกันพวกเรากลับมองเห็นราบยศสารเสริญว่าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราพอเราไปหามา แทนที่จะมีความสุขก็จะต้องมีความทุกข์เราได้ความสุขเพียงตอนระยะแรกๆเวลาได้มาใหม่ๆเวลาได้มาใหม่ๆก็ดีอกดีใจแต่พอเอามาใช้เดียวๆเงินก็หมดพอเงินหมดแล้วทีนี้ก็ทุกข์ใจแล้วเพราะอยากจะใช้อีกแต่ไม่มีเงินใช้ก็ต้องไปหาเงินใหม่ ไปหาเงินใหม่ก็ต้องทุกกับการหาเงินหาทองเพราะเงินทองไม่ไหลามาเทมาเหมือนฝนฟ้าทางอากาศฝนตกนี้เราสามารถลองเก็บได้แต่เงินทองไม่ตกมาเหมือนกับฝนเงินทองนี่กว่าจะหามาได้สักบาทสอบาทนี้ต้องเหนื่อยยากต้องทํางานตราดตามถึงจะได้เงินทองมา นี่คือความทุกข์ที่พวกเรามองไม่เห็นกันถ้าพวกเราเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยธรรมะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เราก็หยุดสแสวงหาพรเราหยุดสแสวงหาใจของเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมา ท, าทันทีเกิดความอิ่มขึ้นมา ท, าทันทีเกิดความพอขึ้นมา ท, าทันทีไม่มีอะไรก็ไม่เดือดร้อน เช่นพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านมีธรรมะท่านเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์พอท่านไม่ไปยุ่งเกี่ยวปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่มีความอยากได้อะไรในโลกนี้ใจของท่านก็เกิดความสงบขึ้นมาเกิดความสุขเกิดความอิ่มเกิดความพอขึ้นมาทันที อันนี้แล้วคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากการศึกษาและเกิดจากการปฏิบัติปฏิบัติจนมีดวงตาเห็นธรรมปรากฏมีธรรมะขึ้นมาภายในใจพอมีธรรมะก็จะรู้ว่าพุทธะก็คือธรรมะนี้แล้วก็สังฆะก็คือธรรมะอันนี้ดังนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความจริงแล้ว จึงเป็นเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นก็คือความรู้ความจริงรู้พระอริยสัจสีรู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรครู้อนิจจังทุกขังอนัตตาผู้ใดที่มีความรู้อันนี้ผู้นั้นก็จะเข้าถึงพุทธธรรมะสังฆะก็จะมีที่พึ่งทางใจจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายอย่างถาวร จะไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปเพราะจะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปเนื่องจากว่าไม่มีความอยากได้อะไรในโลกนี้นั่นเองแต่ถ้ายังมีความอยากได้ลาบยศสรรเสริญยังอยากมีความสุขทางตาหูจมูก น, นิ้นกายอยู่ก็ต้องกลับมาเกิดเพราะว่าจะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือนั่นเอง จะ ต, ต้องมีร่างกายไว้ดูได้ฟังไว้ดื่มไว้รับประทานไว้เสรการไว้ร่วมหลับนอนกับร่างกายของคนอื่นแล้วก็ต้องใช้ร่างกายนี้หาราบยศสรรเสริญแต่ร่างกายนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่ถาวรไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดแล้วย่อมมีแก่มีเจ็บมีตายไป เวลาที่ร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายตายก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจผู้ที่มีธรรมะมีปัญญามีแสงสว่างก็จะเห็นว่าการกลับมาเกิดนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะความอยากอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ท่านจึงละความอยากไม่ต้องการอะไรทั้งหลายในโลกนี้ ท่านจึงไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ harbor. และการไม่มีความอยากก็ไม่ได้หมายความว่ า, วาจะไม่มีความสุขกลับมีความสุขมากกว่ามีความอยากมีความอยากแล้วมีความสุขเดียวเดียวแล้วก็เกิดความทุกข์ตามมาเกิดความอยากใหม่ตามมาได้น้อยหนึ่งก็อยากจะได้พันหนึ่งได้พันหนึ่งก็อยากจะได้หนึ่งได้หมื่นก็อยากได้แสนได้แสนก็อยากจะได้ล้าน ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอก็จะอยากไปเรื่อยๆแล้วเวลาอยากแล้วไม่ได้ก็จะเกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจตามมานี่คือโทษของความอยากความอยากนี่แหละเป็นข้าศึกศัตรูของพวกเราผู้ที่จะมาชิ่มแทงจิตใจของเราให้มีแต่ความทุกข์ใจไม่สบายใจ ให้มีแต่ความหวาดลัววิตกกังวลว่าวุ่นขุนบัวกินไม่ได้นอนไม่หลับบางครั้งถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายก็คือความอยากอันนี้เองอันนี้แหละเป็นสัตว์จูของเราเป็นพิษเป็นภัยของเราที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รู้และได้กำจัดไปหมดแล้ว ท่านจึงอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปตลอดไม่มีวันซสิ้นสุดแต่พวกเรานี้ยังต้องทุกข์อยู่แม้ว่าจะได้มามากน้อยเพียงใดก็ยังต้องทุกข์อยู่ทุกวันนี้เรายังมีความทุกข์อยู่หรือเปล่าลองถามตัวเราดูเรายังทุกข์กับความกังวลทุกข์อยู่กับความห่วงใยทุกข์กับความหวาดกลัวหรือเปล่า เรายังกลัวว่าเราจะสูญเสียสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่หรือเปล่าเนี่ยจึงเหล่านี้เป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะเรามีสิ่งให้เราทุกข์นั่นเองถ้าเราไม่มีสิ่งต่างๆเราก็จะไม่รู้จะทุกข์กับอะไรถ้าไม่มีสมบัติก็ไม่ต้องทุกข์กับสมบัติไม่มีสามีภรรยาก็ไม่ต้องทุกข์กับสามีภรรยาไม่มีบุตรธิดาก็ไม่ต้องทุกข์กับบุตรธิดา แต่ถ้าเรามีเราก็ยังจะต้องทุกต่อไปถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์เราก็ต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสละทรงสละราชสมบัติ ส, สรงสละพระญาทรงสละพระราชโอรสแล้วก็เสด็จออกไปอยู่ในป่าในเขาเพื่อที่จะไปต่อสู้กับความอยาก ไปหยุดความอยากไปละความอยากให้หมดไปด้วยการภาวนาด้วยการปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบ พ, พอใจสงบแล้วใจก็จะเห็นความจริงว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะดีเท่ากับความสงบไม่มีสุขใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่ได้จากความสงบ พอเห็นความสุขอันนี้แล้วก็จะไม่หลงกับความสุขทางลาบยศสารเสิริญก็จะไม่ไปหาลาบยศ ส, สรรเสิริญจะไม่มีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จะไม่มีความอยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่แหละคือวิธีการที่เราจะเข้าหาสาระ หาที่เพิ่งได้อย่างแท้จริงต้องหาด้วยการศึกษาฟังเทศฟังธรรมอย่างที่ท่านทั้งหลายได้ฟังกันอยู่ในขณะนี้พอเราฟังเสร็จแล้วท่านต่อไปเราก็จะต้องไปปฏิบัติเราต้องไปทำทานทาบุญเราต้องไปละบาปรักษาศีลดะเราก็ต้องไปชาระใจของเราให้สะอาด เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบังเพญเบื้องต้นก็สละเพียงเล็กน้อยก่อนสละข้ามของเงินทองที่เรามีมากเกินไปพอเราสละไปแล้วเราเห็นประโยชน์จากการเสียสละว่าทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจเบา อ, อกเบาใจมีความทุกข์น้อยลงไปเพราะมีสมบัติที่จะต้องหวงต้องห่วงน้อยลงไป ก็จะทำให้เราอยากจะสละเพิ่มมากขึ้นแล้วต่อไปเราก็จะสละได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสละเหมือนกับครูบาจารย์ทั้งหลายที่ได้ได้สละกันท่านก็สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองบุตรทิดาภรรยาสามีแล้วก็ออกไปรักษาศีลไปทาใจให้สงบไปชาระใจให้สอาดกัน แล้วท่านก็ได้กลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆทั้งหลายเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นกันพวกเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็ดีก่อนที่ท่านจะเป็นท่านก็เป็นเหมือนพวกเรานี่เองเป็นปุตุชนธรรมดาเป็นคนที่มีความโลภความโกรธความหลง มีความอยากต่างๆเหมือนกันเพียงแต่ว่าท่านไม่ติดอยู่กับความโลภความโกรธความหลงไม่ได้ติดอยู่กับความอยากต่างๆเหมือนพวกเราท่านสละความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายท่านสละลาบยศสรรเสริญแล้วท่านก็รักษาสิงละการกระทำบาปแล้วก็ชำระใจให้สะอาดตอนสุด พวกเราก็สามารถเป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับพระอาหารหันต์ได้อยู่ที่ว่าเราจะมีศรัทธาความเชื่อในวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันตสาวกว่าเป็นวิถีชีวิตที่ถูกที่จะพาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์หรือไม่อยู่ที่ว่าเรามีศรัทธาจะเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ แล้วถ้าเรามีศรัทธาแล้วเราจะมีวิริยะความอุตสาหะภาคเพียงที่จะปฏิบัติตามหรือไม่เราจะมีความอดทนที่จะต่อสู้กับความทุกข์ยากลำบากที่เกิดจากการปฏิบัตินี้หรือไม่ถ้าเรามีศรัทธามีความอุตสาหะภาคเพียงมีความเข้มแข็งอดทนรับรองได้ว่าเราก็จะได้ สาระที่พึ่งที่แท้จริงเหมือนกับที่พระพุทธพระเจ้าและพระอาหารหันตสาวงทั้งหลายได้รับเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนไม่ได้อยู่ที่ใครพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวงไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้เราได้ไม่สามารถนำเอาดวงตาเห็นธรรมเข้ามาไว้ในใจให้กับเราได้เราต้องเป็นผู้นำเอาเข้ามาเอง ด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติเท่านั้นถ้าเราศึกษารู้จักคำสอนรู้จักวิธีการปฏิบัติแล้วนำาเอาไปปฏิบัติผลก็จะเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอนเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นอากาลิโกเป็นธรรมะที่ไม่ขึ้นกับกาลเวลายุคสมัยยุคใดสมัยใดถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติ ก็จะมีการบรรลุมรรคผลนิพพานตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นพวกเราอย่าไปลังเลสงสัยอย่าไปถูกหลอกว่ามรรคผลนิพพานนี้หมดยุคหมดสมัยหมดสมัยไปแล้วไม่มีใครสามารถที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะในสมัยนี้ยังมีผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ มีผู้บรรลุพระผลนิพพานอยู่เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้เท่านั้นว่าท่านอยู่ที่ไหนกันเพราะเราไม่ได้แสวงหาเราไม่ได้คน้นค้นหากันนั่นเองเราเอาเวลาของเราไปแสวงหาราบยศสรรเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจึงทำให้เราไม่คิดว่ามีพระอาหารหันต์อยู่ในเรื่องนี้ยังไม่คิดว่า บุทุชนธรรมดาอย่างพวกเราสามารถที่จะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้แต่ถ้าเรามีความสมใจมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะเข้าหาวัดอาวาเข้ามาศึกษากันพอเราศึกษาแล้วต่อไปเราก็จะรู้ว่ายังมีผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ ยังมีผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานอยู่พอเรารู้แล้วก็จะทำให้เรามีกำลังใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติเพราะเราก็เป็นคนหนึ่งที่เหมือนกับคนอื่นๆที่เขามีศรัทธามีความเชื่อมีความอุตสาหะภาคภีรที่สามารถจะปฏิบัตินะบรรลุมรรคผลนิพพานไดน้จึงขอให้พวกเรา จงพยายามศึกษาพระธรรมคำสอนให้มากๆเพื่อที่เราจะได้มีแนวทางสู่การปฏิบัติที่จะนำพาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายให้เรามีสรณะคือพุทธธรรมะสังฆะปรากฏขึ้นมาภายในใจของเราต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยึติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทา่านมีแต่ความสุขและความเจริญแข้าคลอบปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ